วุธานาคามินีวิปัสนาแต่เมื่อกุลบุตรนี้บรรลุสังขารรูปเปกหายาด้วยประการชนนี้แล้ววิปัสสนาก็ถึงยอดเป็นวุธานาคามินีคำว่าสิกขาปะปัตตาวิปัสนาคือวิปัสสนาถึงยอดก็ดีวุธานาคามินีก็ดี นี้เป็นชื่อของยานสามยานมีสังขารุปเปกขายานเป็นต้นนั่นเองเพราะว่าสังขารุปเปกขานั้นชื่อว่าถึงยอดคือสิกขาปะปัตตาเพราะบรรลุถึงยอดคือถึงความสูงสุดและชื่อว่าวุฒธธานาคามินีเพราะไปสู่วุฒธธานาท่านเรียกอริยามรกว่ธธาวุฒนา เพราะออกไปจากวัตถุคือสังขารที่กำหนดโดยความเป็นนิมิตภายนอกและเพราะออกจากความเป็นไปของสังขารที่กำหนดโดยความเป็นนิมิตภายนอกและเพราะออกจากความเป็นไปของสังขารภายในชื่อว่าวุ ธ, ธานาคามินีเพราะไปสู่วุ ธ, ธานะนั้นอธิบายว่า เพราะสืบต่ออยู่กับมรติมาติกาแห่งอภินิเวะและวุฒธธานะเพื่อต้องการเข้าใจจำแจ้งซึ่งอภินิเวะคือการกำหนดและวุฒธธานะการออกไปในคำที่กล่าวไว้โดยสังเขปข้างต้นนั้นมีมาติกาดังคำแปลต่อไปนี้ โยคีที่หนึ ki, ่งโยคีกำหนดภายในแล้วออกจากภายในหนึ <st butterfly> ่งกำหนดภายในแล้วออกจากภายนอกหนึ well, ่งกำหนดจากภายนอกแล้วออกจากภายนอกหนึ่งกำหนดจากภายนอกแล้วออกจากภายในหนึ่งโยคีที่สองโยคีกำหนดในรูปแล้วออกจากรูปหนึ่ง Over, กำหนดในรูปแล้วออกจากอารูปหนึ่งกำหนดในอารูปแล้วออกจากอารูปหนึ่งกำหนดในอารูปแล้วออกจากรูปหนึ่งออกจากขันทั้งห้าพร้อมกันหนึ่งโยคีที่สามโยคีกำหนดโดยความไม่เที่ยงออกจากความไม่เที่ยงหนึ่งกำหนดโดยความไม่เที่ยงออกจากความเป็นทุกข์ จากความไม่มีอัตตาหนึ่งกําหนดโดยความเป็นทุกข์ออกจากความทุกข์จากความไม่เที่ยงจากความไม่มีอัตตาหนึ่งกําหนดโดยความไม่มีอัตตาออกจากความไม่มีอัตตาจากความไม่เที่ยงจากความเป็นทุกข์หนึ่งอธิบายความถามว่ากําหนดอย่างไรออกอย่างไร ตอบว่าโยคยีบางท่านคือท่านที่หนึ่งนั้นในพระศาสนานี้กำหนดอยู่ในสังขารภายในทั้งหลายแต่เริ่มแรกมาเลยรั้นกำหนดแล้วก็เห็นสังขารภายในเหล่านั้นแต่เพราะที่วุฐธธานะคือการออกไปคือมักหามีโดยเพียงแต่การเห็นสังขารภายในล้วนๆเท่านั้นไม่ ต้องเห็นแม้สังขารภายนอกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจึงเห็นขันทั้งหลายของผู้อื่นบ้างเห็นสังขารทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินกะบ้างว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอัตตาโยคีท่านนั้นกำหนดรูปภายในตามการเวลากำหนดรูปภายนอกตามการเวลา ในเวลากำหนดรู้ภายในวิปัสนาของโยคีท่านนั้นผู้กำหนดรู้อย стве, ู่อย่างนี้ก็สืบต่ออยู่กับมัคโยคีท่านนี้ชื่อว่ากำหนดภายในแล้วออกไปจากภายในแต่ถ้าวิปัสนาของโยคีท่านนั้นสืบต่ออยู่กับมัคในเวลากำหนดรู้ภายนอกโยคีท่านนี้ชื่อว่า กำหนดภายในแล้วออกไปจากภายนอกแม้ในการกำหนดรู้จากภายนอกแล้วออกไปจากภายนอกและในการกำหนดรู้จากภายนอกแล้วออกจากภายในก็มีนัยอาดังนี้โยคีอีกท่านหนึ่งคือขั้นที่สองกำหนดอยู่ในรูปแต่แรกเริ่มมาเลย ครันกำหนดแล้วก็เห็นภูต ร, รูปและอุปาถายรูปรวมกองเดียวกันแต่เพราะเหตุที่วุฒิฐานะคือการออกไปหามีโดยเพียงแต่การเห็นรูปล้วนๆเท่านั้นไม่แมเอารูปก็ต้องเห็นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโยคยีจึงทำรูปให้เป็นอารมณ์แล้วเห็นอารูปคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เกิดขึ้นว่า นี้เป็นอรูปโยคยีท่านนั้นกำหนดรู้รูปตามการเวลากำหนดรู้อรูปตามการเวลาเมื่อโยคยีนั้นกำหนดรู้อย่างนี้วิปัสสนาในเวลากำหนดรู้รูปก็สืบต่อกับมครคโยคยีผู้นี้ชื่อว่ากำหนดอยู่ในรูปแล้วออกไปจากรูป แต่ถ้าวิปัสสนาของโยคีนั้นสืบต่ออยู่กับมรคในเวลากำหนดรู้ปรูปโยคีผู้นี้ชื่อว่ากำหนดอยู่ในอรูปแล้วออกไปจากอรูปแม้ในการกำหนดอยู่ในอรูปแล้วออกไปจากอรูปก็ดีและในการกำหนดอยู่ในอรูปแล้วออกไปจากรูปก็ดีก็มีในยะดังนี้แต่ในการกำหนดอย่างนี้ว่า อย่างกินจิสมุทญยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้แล้วออกไปโดยอาการอย่างนั้นเช่นกันโยคีท่านนี้ชื่อว่าออกไปจากขันทั้งห้าพร้อมกันโยคีท่านหนึ่ง คือท่านที่สามกำหนดรู้สังขารทั้งหลายด้วยความไม่เที่ยงมาแต่แรกเริ่มเลยแต่เพราะเหตุที่วุฐธธานะหามีโดยเพียงแต่กำหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเท่านั้นไม่ต้องกำหนดรู้โดยความเป็นทุกข์บ้างโดยความเป็นอนัตตาบ้างด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโยคยีจึงกำหนดรู้โดยความเป็นทุกข์บ้างโดยความเป็นอนัตตาบ้าง เมื่อโยคีนั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้วุฒนาก็มีขึ้นในเวลากำหนดรู้โดยความไม่เที่ยงโยคีท่านนี้ชื่อว่ากำหนดโดยความไม่เที่ยงแล้วออกไปจากความไม่เที่ยงแต่ถ้าวุฒนามีแก่โยคีนั้นในเวลากำหนดรู้โดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโยคีท่านนี้ ชื่อว่ากำหนดโดยความไม่เที่ยงแล้วออกไปจากทุกจากอนัตตาแม้ในการกำหนดโดยความเป็นทุกขโดยความเป็นอนัตตาแล้วออกไปจากลักษณะที่เหลือนอกนี้ก็มีในยะดังนี้กล่าวถึงพระอริยบุคคลเจ็ดจำพวกอีกครั้ง อันหนึ่งในการกำหนดและการออกไปนี้โยคยีผู้ใดกำหนดโดยความไม่เที่ยงก็ดีโยคยีผู้ใดกำหนดโดยความเป็นทุกข์ก็ดีโยคยีผู้ใดกำหนดโดยความเป็นอนัตตก็ดีและในเวลาออกไปมีการออกไปจากความไม่เที่ยงโยคยีแม้ทั้งสามท่านเป็นผู้มีอาธิโมกมากคือความเชื่อมาก จึงได้เฉพาะซึ่งสัตถินสีผลพิเศษไปด้วยอนิมิตะวิโมกเป็นสัทธานุสาวรีในขณะบรรลุปฐมมรรคคือโสอดาปฏิมรรคเป็นศัทธาวิมุตในเจดฐานะแต่ถ้ามีการออกไปจากทุกข์ชนคือโยคีแม้ทั้งสามท่านเป็นผู้มีปสัสสธิคือความสงบมาก จึงได้เฉพาะซึ่งสมาธินีผลพิเศษไปด้วยอัปะนิหิตาวิโมกเป็นกายสักขีในทุกฐานะแต่ถ้าว่าในชนคือโยคีสามท่านนี้ท่านผู้ใดมีอรูปฌานเป็นบาตรท่านผู้นั้นเป็นอุพัโตภาคาวิมุตในผลสุดยอดขณะนั้น ถ้าชนทั้งสามท่านเหล่านั้นมีการออกไปจากอนัตตาชนแม้ทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้มากจึงได้เฉพาะซึ่งปัญญีสีผลพิเศษไปด้วยสุ ญ, ญาตาวิโมกเป็นธรรมานุสาวรีในขณะปฐมมากเป็นทิฏฐิปัตตะในหกฐานะเป็นปัญญาวิมุตในผลสุดยอดด้วยประการชนี้ อุปมาสิบสองข้อบัดนี้เพื่อความแจ่มแจ้งของวุฒานะคามินีวิปัสสนานี้พร้อมทั้งยานก่อ น, อนมีพยาตุปัฏฐานายานเป็นต้นและยานหลั ง, ลงมีโคตรภูยานเป็นต้นควรทราบอุปมาสิบสองข้อไว้อุปมาสิบสองข้อเหล่านั้นมีหัวข้อเรื่องดังนี้ ขั้งข่าวงูเหา่าเรือนวัวนางยักษ์ทารกความหิวระหายความหนาวร้อนความมืดและยาพิษและควรนำอุปมาเหล่านี้มาตั้งไว้ในยานใดายานหนึ่งตั้งต้นแต่พยาตุปปาทานในยานขึ้นมาแต่เมื่อนำเอาอุปมาทั้งหลายนั้นมาในฐานะแห่งวุฒฐานะคามินีวิปัสสนานี้ ยานทั้งปวงรวมทั้งกิจทั้งปวงของยานตั้งแต่พญาตุปัฏฐานะยานจนถึงผลละยานก็จะปรากฏชัดเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าควรนำอุปมาทั้งหลายนั้นมากล่าวณที่นี้ด้วยเหมือนกัน 1. อุปมาด้วยครั้งข่าวเล่ากันว่า นกข้างข่าวตัวหนึ่งคิดว่าจะได้ดอกไม้หรือผลไม้บนต้นไม้นี้จึงแอบซ่อนตัวอยู่บนต้นมะสางซึ่งมีกิ่งห้ากิ่งแล้วเกาะกิ่งหนึ่งอยู่ไม่พบดอกไม้หรือผลไม้ไร่ที่ควรถือเอาได้บนกิ่งนั้นและไปเกาะกิ่งที่สองกิ่งที่สามกิ่งที่สี่แม้กิ่งที่ห้าก็ไม่พบดอกหรือผลไร่เหมือนอย่างกิ่งที่หนึ่ง นกข้างข่าวตัวนั้นจึงคิดว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่มีผลแน่ๆอะไรๆที่ควรถือเอาได้ก็ไม่มีบนต้นไม้นี้จึงทอดอะไรในต้นไม้นั้นแล้วไต่ขึ้นไปบนกิ่งตรงชูหัวออกไปทางระหว่างข้าคบหันดูขึ้นไปข้างบนแล้วโผลขึ้นไปในอากาศไปแอบอยู่บนต้นไม้ไม่มีผลต้นอื่นในอุปมาณนั้น พึงเห็นโยคา ว, วจรเป็นเหมือนข้างเขาอุปทานขันห้าเป็นเหมือนต้นมะ้างซึ่งมีกิ่งห้ากิ่งการที่โยขี่กำหนดอยู่ในขันห้าก็เหมือนการที่ค้างเขาแอบอยู่บนต้นมะา้างนั้นการที่โยขี่กำหนดรู้รูปขันแล้วไม่เห็นอะไรอะไรที่ควรถือเอาได้ในรูปขันนั้นจึงกำหนดรู้ขันอื่นที่เหลือ ก็เหมือนการที่คั้งข่าวเกาะกิ่งไม้กิ่งหนึ่งหนึ่งไม่พบอะไรอะไรที่ควรถือเอาได้จึงไปเกาะกิ่งไม้อื่นที่เหลือนอกนั้นยานสามีมุลจิตุ ก, กรรมยตายานเป็นต้นของโยคียผู้เบื่อหน่ายแล้วด้วยการเห็นลนะักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นในขันแม้ทั้งห้าก็เหมือนการที่คั้งข้ า, ขานั้น คิดว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่มีผลแน่ๆแล้วทอดอาลัยในต้นไม้อนุโลมยานของโยคีก็เหมือนการที่ั้างขขานั้นไต่ขึ้นไปเบื้องบนของกิ่งไม้กิ่งตรงโคตรภูยานก็เหมือนการชูหัวออกไปเหยีขึ้นดูข้างบนของข้างข่ามัคคยาน เปรียบเหมือนการโผลขึ้นไปในอากาศของข้างเขาผลละยานเปรียบเหมือนการแอบอยู่บนต้นไม้ไม่มีผลต้นอื่น 2. อุปมาด้วยงูเหา่าอุปมาด้วยงูเหา่าได้กล่าวมาแล้วในตอนว่าด้วยปฏิสังขา ย, ยาน แต่ในการเปรียบเทียบด้วยอุปมาในที่นี้มีความแปลกออกไปดังนี้คือโคตรภูยานเปรียบเหมือนการปล่อยงูไปมัคยานเปรียบเหมือนการยืนอยู่ของบุรุษผู้ปล่อยงูแล้วมองดูทางที่ตนมาอยู่ผลละยานเปรียบเหมือนการไปยืนอยู่ในที่ปลอดภัยสาม อุปมาด้วยเรือนเรื่องมีว่าเมื่อเจ้าของเรือนบริโภคอาหารในตอนเย็นแล้วก็ขึ้นนอนหลับไปเรือนถูกไฟไหม้เขาตื่นขึ้นเห็นไฟก็กลัวคิดว่าพึงเป็นการดีแน่ถ้าเราไม่ถูกไฟไหม้รีบออกไปซะก่อนมองหาครั้นเห็นทางออกก็ออกไปรีบไปยืนอยู่หน้าที่ปลอดภัย ในอุปมาณนั้นการที่ผ่านปุตุชนยึดถือขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเปรียบเหมือนการที่เจ้าของเรือนบริโภคอาหารในตอนเย็นแล้วขึ้นที่นอนนอนหลับไปการที่โยคีปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติแล้วเห็นพระไตรลักษ์เกิดพยาตุปทานญาณเปรียบเหมือนการเห็งเจ้าของเรือนตื่นขึ้นเห็นไฟแล้วกลัว มุนจิตุกรรมยตายานเปรียบเหมือนการมองหาทางออกอนุโลมยานเปรียบเหมือนการเห็นทางโคตรภูยานเปรียบเหมือนการออกไปมัคคยานเปรียบเหมือนการรีบไปผลลานเปรียบเหมือนการยืนอยู่หน้าที่ปลอดภัย สอุ ป, ปมาด้วยวัวเล่ากันว่าขณะที่ชาวนาผู้หนึ่งนอนหลับอยู่ในเวลากลางคืนวัวทั้งหลายก็แหกคอกหนีไปครั้นเวลาเช้ามืดชาวนาผู้นั้นไปตรวจดูในคอกนั้นรู้ว่าวัวเหล่านั้นหนีไปแล้วจึงตามรอยไปก็พบวัวทั้งหลายของพระราชา มันหมายว่าวัวเหล่านั้นเป็นของเราจึงต้อนกลับมาครั้นเวลารุ่งแจ้งก็จำได้ว่าวัวเหล่านี้ม่ใช่ของเราเป็นวัวของพระราชาจึงกล่าวว่าตราบใดที่พวกราชบุรุษจะยังไม่จับเราไว้ว่าผู้นี้เป็นโจรแล้วทำให้ถึงความพินาศตราบนั้นเราจะหนีไปเสีก่อนจึงทิ้งฝูงวัวไว้แล้วรีบหนีไปอยู่ในที่ปลอดภัย ในอุ ป, ปมานั้นการที่ผ่านปุถุชนยึดถือขันทั้งหลายว่าเป็นเราเป็นของเราเปรียบเหมือนการที่ชาวนาจับต้อนวัวทั้งหลายของพระราชามาด้วยสาคัญว่าเป็นวัวของตนการหมายรู้ขันทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยพระไตรลักษณ์ของโยคีเปรียบเหมือนการที่ชาวนาจําได้ว่าเป็นวัวของพระราชาในเวลารุ่งแจ้ง พยตุปัทานญาณเปรียบเหมือนเวลาที่ชาวนา น, นั้นกลัวมุนจิตุกรรมยตายานเปรียบเหมือนความปรารถนาที่จะทิ้งวัวทั้งหลายของพระราชาไปโคตรภูญาณเปรียบเหมือนการทิ้งวัวทั้งหลายมัคขยานเปรียบเหมือนการหนีไปผลลยานเปรียบเหมือนการหนีไปอยู่ณนะที่ปลอดภัย อุ ป, ปมาด้วยยักษินีเขาว่าบุรุษผู้หนึ่งอยู่ร่วมสังวาสกับนางยักษินีครั้นในราตรีการนางยักษ์นั้นรู้ว่าบุรุษนี้หลับแล้วจึงไปยังป่าช้าผีดิบและเคี้ยวกินเนื้อมนุษย์บุรุษผู้นั้นสงสัยว่านางนี้ไปไหนจึงติดตามไปครั้นเห็นนางยักษ์กำลังเคี้ยกินเนื้อมนุษย์อยู่ ก็รู้ว่านางมิใช่มนุษย์จึงคิดว่าจากนี้ไปเสียก่อนที่มันจะกินเราหวาดกลัวรีบหนีไปอยู่ในที่ปลอดภัยในอุปมาณนั้นการที่โยคียึดถือขันทั้งหลายว่าเป็นเราเป็นของเราเปรียบเหมือนการที่บุรุษนั้นอยู่ร่วมกับนางยักษินีการเห็นพระไตรลักษ์ลรวรู้ถึงความที่ขันทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น เปรียบเหมือนการที่บุรุษนั้นเห็นนางยักษ์เคี้ยวกินเนื้อมนุษย์อยู่ในป่าช้าแล้วรู้ว่านางนี้เป็นยักษิซีนีพยาตุปัทานายาณเปรียบเหมือนเวลาที่บุรุษนั้นหวาดกลัวมุนจิตุกามยตายานเปรียบเหมือนความปรารถนาที่จะหนีไปโคตรภูญาณเปรียบเหมือนการละทิ้งป่าช้าไปมัคคยาน เปรียบเหมือนการรีบหนีไปผลละยานเปรียบเหมือนการอยู่ในประเทศไม่มีภัยประการที่หกอุปมาด้วยทารกเล่ากันว่าสตรีผู้หนึ่งเป็นคนลงรักบุตรเธอนั่งอยู่บนปราสาทชั้นบนได้ยินเสียงร้องของทารกนั่งระหว่างถนน คิดว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งรังแกบุตรของเราเป็นแน่จึงรีบลงมาอุ้มเอาบุตรของคนอื่นไปด้วยสำคัญว่าบุตรของตนรั้นเธอจจำได้ว่าทารกนี้เป็นบุตรของคนอื่นก็ตกใจกลัวมองดูข้างน้นข้างนี้แล้วคิดว่าใครๆย่ามากล่าวหาเราว่านางนี้เป็นคนขโมยเด็กเลยจึงวางทารกลงไว้ในระหว่างถนนนั่นแล เราเรีบขึ้นเป็นนั่งอยู่บนปราสาท ต, ตามเดิมในอุปมาณนั้นการยึดถือขันห่าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเหมือนการที่สตรีนั้นอุ้มเอาบุตรของคนอื่นไว้ด้วยสำคัญว่าเป็นบุตรของตนการหมายรู้ด้วยอำนาจพระไตรลักษณ์ว่ามีใช่เรามีใช่ของเราเปรียบเหมือนการที่สตรีนั้น จำได้ว่าทารกนี้เป็นบุตรของคนอื่นพยาตุปทานญาณเปรียบเหมือนการตกใจกลัวมุนจิตุกรรมยตาญาณเปรียบเหมือนการมองดูข้างโน้นข้างนี้อนุโลมยานเปรียบเหมือนการวางทารกลงไว้ในระหว่างถนนนั่นแลโคตรภูญาณเปรียบเหมือนเวลาที่สตรีนั้น วางทารกนั้นแล้วยังยืนอยู่ระหว่างถนนมัคคยานเปรียบเหมือนการกลับขึ้นไปบนปราศาสตร์ผลลยานเปรียบเหมือนการขึ้นไปนั่งอยู่อุปมาด้วยความหิวระหายหนาวร้อนความมืดและยาพิษ ส่วนอุปมาหกข้อเหล่านี้คือความหิวระหายหนาวร้อนความมืดและยาพิษท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่าผู้ตั้งอยู่ในวุธานาคามินีวิปัสสนาแล้วเป็นผู้นโน้มไปโน้มไปและโอนเอียงไปโดยผันหน้ามุ่งเข้าสู่โลกุตรธรรมแล้วอุปมาด้วยความหิว ความจริงบุรุษผู้ถูกความหิวครอบงำหิวโหยมากปรถนาโพชะมีรสดีชันใดโยคาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกความหิวคือสังสารวัตรกระทบแล้วจึงปรถนาโพชะคือกายคตาสติซึ่งมีรสเป็นอมะตะอุปมาด้วยความระหายคำนี้ในปัจจุบันน่าจะเรียกว่ากระหายนะครับ และบูรุตผู้มีความระหายคอและปากแห้งผากปรารถนาน้ำปานะที่มีเครื่องปรุงหลายอย่างฉันใดโยคาวจรเท่านั้นก็ฉันนั้นเช่นกันถูกความระหายคือสังสารวัตรกระทบแล้วจึงปรารถนาน้ำปานะคือพระอริยมรตมีองค์แปดอุปมาด้วยความหนาว อันหนึ่งบุรุษผู้สัมผัสกับความหนาวย่อมปรารถนาความอบอุ่นฉันใดโยคาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้นเช่นกันถูกกระทบด้วยความหนาวคือยางตันหาในสังสารวัติจึงปรารถนาไฟคืออริยมรรคเป็นเครื่องเผากิเลสอุปมาด้วยความร้อนและบุรุษ ผู้ถูกความร้อนกระทบย่อมปรารถนาความเย็นฉันใดโยคาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกความร้อนคือไฟสิบเอ็ดกองในสังสารวัตรแผดเผาแล้วจึงปรารถนาพระนิพพานเป็นที่เข้าไปสงบไฟสิบเอ็ดกองอุปมาด้วยความมืดอันหนึ่งบุรุษ ผู้อยู่ถ้ำกลางความมืดย่อมปรารถนาความสว่างชั้นใดโยคาวะจรท่านนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกปกคลุมหุ้มห่ออยู่แล้วด้วยความมืดคืออวิชชาจึงปรารถนาอยู่ซึ่งการทำมรคให้เกิดอันมีแสงสว่างเกิดด้วยยานอุปมาด้วยยาพิษละบุรุษผู้ถูกยาพิษ ยอมปรารถนาเพสัชถอนพิษฉันใดโยคาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกยาพิษคือกิเลสแล้วจึงปรารถนาพระนิพพานอันเป็นโอสถอมตะเป็นเครื่องกาจัดพิษคือกิเลสเพราะเหตุนั้นจึงได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเมื่อโยคาวจรผู้นั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็ถอยกลับหวนกลับ วกกลับไม่แพร่กระจายไปในภพสามในกำเนิดสี่ในคติห้าในวิญญาณนิทิเจ็ดในสัตตาวาดเก้าวางเฉยอยู่หรือถอยกลับมาตั้งมั่นอยู่เปรียบเหมือนหยดน้ำในใบบัวซึ่งขอบใบงอนิดๆคำทั้งปวงพึงทราบตามในยะที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นนั่นแหละก็แลด้วยประการดังกล่าวนี้ โยคาวะจอนท่านนี้เป็นผู้มีชื่อเรียกว่าผู้ประพฤติโดยความเป็นผู้หลีกลีซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสระบุถึงไว้แปลความว่าพระภิกษุใดไม่แสดงตนในภพพระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าการไม่แสดงตนนั้นของพระภิกษุนั้นผู้ประพฤติหลีกลีอยู่โดยเฉพาะผู้คบแต่อาสนะที่เงียบสงัด ว่าเป็นการสมควรสังขารูเปกขายานนี้กำหนดความเป็นผู้ประพฤติหลีกลี้อยู่โดยเฉพาะของโยคีด้วยประการชนีแล้วกำหนดความแตกต่างของโพชงความแตกต่างขององค์มักความแตกต่างขององฌานความแตกต่างของปฏิปทาและความแตกต่างของวิโมกแม้ของพระอริยมรตต่อไปอีก ความแตกต่างของพชทธชงองมรคและองฌานความจริงพระเทระบางพวกก็กล่าวว่าฌานที่เป็นบาทกกำหนดความแตกต่างของพชทชงขององมรคและขององฌานพระเทระบางพวกก็กล่าวว่าขันทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากำหนดความแตกต่าง พระเทระบางพวกก็กล่าวว่าอัจฉรัยของบุคคลผู้วิปัสสนากำหนดในวาททั้งสามของพระเทระเหล่านั้นควรทราบไว้ว่าวุฒานาคามิหนีวิปัสสนาตอนต้นนี้นี่แหละกำหนดความแตกต่างโดยแท้ในการกำหนดความแตกต่างของพุทชมเป็นต้นนั้นมีการกล่าวถึงโดยลำดับดังต่อไปนี้ อริยมรรคตามระดับฌานความจริงมรกที่เกิดขึ้นแก่ท่านสุขวิปัสสกะโดยวิปัสสนานิยมก็ดีมรกที่เกิดขึ้นแก่ท่านผู้ได้สมาบัติมิได้ทําฌานให้เป็นบาตรก็ดีมรกที่ทําปฐมฌานเป็นบาตรแล้วกําหนดรู้สังขารทั้งหลายที่เป็นปกินกะคือสังขารอื่นนอกไปจากฌานที่เป็นบาตร แล้วทำให้เกิดขึ้นก็ดีเป็นมรรคเกิดขึ้นในระดับปฐมฌานนั่นเองในทุกมรรคที่กล่าวนั้นมีโพชฌงเจ็ดมีองค์มรรคแมีองค์ฌานห้าเพราะว่าวิปัสสนาภาคต้นของอริยามรรคแม้เหล่านั้นเป็นวิปัสสนาประกอบด้วยโสมนัสบ้างประกอบด้วยอุเบกขาบ้าง รั้นถึงความเป็นสังขารูปเปกขาในเวลาแห่งบุตฐานะการออกไปคือมรรคแล้วก็เป็นวิปัสนาประกอบด้วยสมนัตแต่ในบรรดามรรคที่ทำทุติยชาญทำตติยชาญทำจตุทถธาชาญตามในปัญจกะในคือชาญระบบแบ่งห้าให้เป็นบาทแล้วทำให้เกิดขึ้นชาญก็มีองค์สี่ ไม่มีวิตกสําหรับทุติยฌ า, านมีองค์สามไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สําหรับตติยฌ า, านและมีองค์สองไม่มีวิตกวิจารณและปิติสําหรับจตุทถตฌานโดยลําดับแต่ในทุกมัคมีองค์มัคอยู่เจ็ดไม่มีวิตกคือสัมมาสังกัปปะและในมัคที่สี่ ซึ่งมีชานที่สี่เป็นบาทมีโอชงหไม่มีปีติสามโภชงความแตกต่างกันนี้มีอยู่โดยการกำหนดด้วยชานเป็นบาทและโดยวิปัสสนานิยมคือการกำหนดด้วยวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนาที่เป็นภาคต้นของมรรคแม้เหล่านั้นก็ประกอบด้วยโสมนัสบ้างประกอบด้วยอุเบกขาบ้าง พุทธานาคาม่นีวิปัสนาประกอบด้วยโสมนัสอย่างเดียวแต่ในมรรคที่ทําปัญจมาชานเป็นบาตรแล้วบังเกิดขึ้นมีองค์ฌานสองคือด้วยอุเบกขาและจิตเตกัคตามีโพชฌงหกและมีองค์มรรคเจแม้อย่างนี้ก็เป็นความแตกต่างโดยกําหนดด้วยฌานเป็นบาตรและโดยวิปัสสนานิยมทั้งสองอย่าง เพราะในเนยยะนี้วิปัสสนาภาคต้นเป็นวิปัสสนาประกอบด้วยโสมนัสหรือประกอบด้วยอุเบกขาก็มีส่วนวุฐธธานะคามินีประกอบด้วยอุเบกขาอย่างเดียวในยยะแม้ในมรรคที่ทำอรูปฌานเป็นบาตรให้เกิดขึ้นก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันด้วยอาการดังกล่าวนี้ สมบัติที่ออกณนะที่ใกล้ชิดมักซึ่งเกิดขึ้นเพราะโยคีออกจากฌานที่เป็นบาทแล้วกำหนดรู้สังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มักเหมือนตอนเองเกิดขึ้นก็เหมือนสีของแผ่นดินที่ทำสีของเหี้ยให้เหมือนสีดินแต่ในวาทะของพระเทะท่านที่สองความว่ามักที่ทำให้บังเกิดขึ้น เราออกจากสมาบัติใดๆแล้วกำหนดรู้องค์ธรรมทั้งหลายใดๆของสมาบัติก็เป็นมัคเหมือนสมาบัตินั้นๆนั่นแลอธิบายว่าเป็นเช่นเดียวกับสมาบัติที่กำหนดรู้มาแล้วแต่ถ้าโยกขี่กำหนดรู้การมาวาจิรธรรมทั้งหลายมัคที่บรรลุก็เป็นอยู่ในระดับปฐมฌานเท่านั้นอนหนึ่งพึงทราบวิปัสสนานิยมนี้ ในวาทะของพระเทระท่านที่สองนั้นโดยนัยยะดังกล่าวแล้วเช่นกันส่วนในวาทะของพระเทระท่านที่สามความว่ามรรคที่บังเกิดขึ้นเพราะธทมฌานใดๆเป็นบาทแลกําหนดรู้องค์ธรรมของฌานทั้งหลายใดๆตามสมควรแก่อัจฉสิยใสของตนของตนมรรคก็เป็นเหมือนฌานนั้นๆ น, น, นั่นแหล แต่ความเป็นเหมือนฌา น, นนั้นๆ น, น, นั้นเมื่อปราศจากฌานที่เป็นบาทหรือปราศจากฌานที่กําหนดรู้เสียแล้วก็หาสำเร็จโดยเพียงแต่อัจฌาใสาของตนเองอย่างเดียวหาไม่ได้ความดังกล่าวนี้นั้นพึงแสดงด้วยนันทโกวาทสูตรเป็นความจริงแม้พระภูมิพระภาคก็ทรงมีพระดำรัสไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถนั้นขึ้นสิบห้าค่ำความสงสัยหรือความเคลือบแคลงใจว่าดวงจันแหวงหรือเต็มดวงหนออมิได้มีแก่คนจำนวนมากมีแต่ว่าพระจันเต็มดวงดังนี้โดยแท้แลแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีใจยินดีและเป็นผู้มีความดาริเต็มบริบูรณ์ ด้วยธรรมเทศนาของท่านนันทะกะภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุณีห้าร้อยเหล่านั้นภิกษุณีใดผู้มีธรรมะต่ำสุดภิกษุณีนั้นเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนจะตรัสรู้ในภายหน้าเพราะว่าในภิกษุณีทั้งหลายห้าร้อยนั้นภิกษุณีใดมีอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลภิกษุณีนั้น ก็เป็นผู้มีความดำริบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลโดยแท้ภิกษุณีได้มีอุปนิสัยแห่งสกทาคามีมีอุปนิสัยแห่งอนาคามีมีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ก็เป็นผู้มีความดำริบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลด้วยอนาคามิผลด้วยอรหันตผลโดยแท้มรรคที่โยคีทําให้เกิดขึ้น เพราะทำฌานใดๆเป็นบาทแล้วกำหนดรู้องค์ธรรมของฌานทั้งหลายใดๆตามสมควรแก่อัจฉาิสยของตนของตนเมื่อปราศจากฌานที่เป็นบาทหรือปราศจากฌานที่กำหนดรู้เสียแล้วก็หาสำเร็จโดยเพียงแต่อัจฉาิสยอย่างเดียวหาไม่ได้และแม้ในวาทะของพระเทระที่สามนี้ก็พึงทราบวิปัสสนานิยมโดยในยติดังกล่าวแล้ว ในวาระของพระเทราที่สองเหมือนกันพึงทราบว่าสังขารุปเปกขายานกำหนดความแตกต่างโพชงองค์มักและองค์ฌานดังกล่าวมานี้ก่อนปฏิปทาสี แต่ถ้าสังขารุปเปกขาญาณนี้เมื่อข่มกิเลสทั้งหลายมาแต่เริ่มแรกสามารถข่มได้โดยยากโดยความขมักขเมนโดยต้องมีการชักจูงสังขารุปเปกขานั้นก็มีชื่อว่าทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติลำบากโดยทางตรงข้ามก็เรียกสุขาปฏิปทาปฏิบัติสะดวก แต่ภายหลังที่ข่มกิเลสได้แล้วค่อยๆทำการอบรมวิปัสนาธรรมักให้เกิดขึ้นชื่อว่าทันทาพิญญาคือรู้ได้ช้าโดยตรงข้ามก็เป็นขิต ป, ปาพิญญาคือรู้ได้เร็วด้วยเหตุนี้สังขารุเปเกขาญาณ น, นี้จึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นที่มาอาคมนิยฐาน แล้วให้ชื่อเรียกแก่มรรคของตนของตนเพราะเหตุนั้นมรรคจึงได้ชื่อเป็นสี่ชื่อคือทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาทุกขาปฏิปทาขิปาภิญญาสุขขาปฏิปทาธัญยาพิญญาและสุขขาปฏิปทาขิปาภิญญาและปฏิปทานี้นั้นสำหรับพระภิกษุบางรูปก็มีต่างๆกัน สำหรับบางรูปก็เป็นอย่างเดียวกันทั้งในสีม่มรรคแต่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมรรคทั้งสี่เป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญาอย่างเดียวของท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็เหมือนกันส่วนของท่านพระมหาโมคลานาเท ร, ประปฐมมรรคเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญามรรคสามข้างบน เป็นทุกขาปฏิปทาทัญญาพิญญาอันหนึ่งปฏิปทาเป็นฉันใดอธิบดีมีฉันทาทธิบดีเป็นต้นก็เป็นฉันนั้นสำหรับพระภิกษุบางรูปก็มีต่างๆกันในสีมรักแต่สำหรับบางรูปแม้ในทั้งสีมรักก็มีอธิบดีเดียวเท่านั้น สังขารูปเปกขายานกำหนดความแตกต่างของปฏิปทาด้วยประการดังกล่าวมานี้ส่วนที่กำหนดความแตกต่างของวิโมกด้วยประการใดนั้นได้กล่าวไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้วเหตุห้าประการในการเรียกชื่อมักอีกอย่างหนึ่ง ธรรมดามักได้ชื่อเรียกด้วยเหตุห้าประการคือโดยรสของตนหรือด้วยสภาวะหนึ่งหรือโดยธรรมะเป็นค่าสึกหนึ่งหรือโดยคุณของตนเองหนึ่งหรือโดยอารมณ์หนึ่งหรือโดยอคมัมภนะคือฐานที่มาหนึ่งเพราะว่าถ้าสังขารุปเปกขาออกไปเพราะกำหนดรู้สังขารทั้งหลายด้วยความไม่เที่ยงมักหรือบุคคล ผู้ประกอบด้วยมรรคก็พ้นพิเศษไปด้วยอ น, นิมิตะวิโมกถ้าออกไปเพราะกําหนดรู้ด้วยความเป็นทุกข์ก็พ้นพิเศษไปด้วยอปะนิหิตะวิโมกถ้าออกไปเพราะกําหนดรู้ด้วยความเป็นอนัตตาก็พ้นพิเศษไปด้วยสุญญ า, าวิโมกนี้ได้ชื่อเรียกโดยรถหรือสภาวะของตน แต่เพราะเหตุที่มากนี้ทำการสลายไปแห่งความเป็นก้อนเป็นกองของสังขารทั้งหลายด้วยอนิจจานุปัสสนาแล้วมาละได้ซึ่งนิมิตว่าเที่ยงนิมิตว่ายั่งยืนและนิมิตว่ามั่นคงถาวรเพราะฉะนั้นจึงเรียกชื่อว่าอ น, นิมิตตวิโมกแต่ที่เรียกชื่อว่าอปปนิหิตาวิโมกเพราะละสัญญาว่าเป็นสุข ด้วยทุกขานุปัสนาแล้วมาทำให้ความตั้งมั่นของตัณหาคือความปรารถนาแห้งเหือดไปเรียกว่าสุญญ า, าวิโมกเพราะลาสัญญาคือความหมายรู้ว่ามีอัน ต, ตามีสัตมีบุคคลด้วยอนัตตานุปัสนาล้าเห็นสังขารทั้งหลายโดยเป็นของว่างเปล่านี้ได้ชื่อเรียกโดยธรรมะเป็นข้าศึกชนิลา อันหนึ่งมากนี้ชื่อว่าสุญญต์เพราะว่างจากกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นชื่อว่าอานิมิตะเพราะไม่มีนิมิตทั้งหลายมีนิมิตคือรูปเป็นต้นหรือว่าเพราะไม่มีนิมิตทั้งหลายมีนิมิตคือราคะเป็นต้นนั่นแลชื่อว่าอปนิหิตะเพราะไม่มีปณิธิทั้งหลาย มีปณิธิคือราคะเป็นต้นนี้ได้ชื่อเรียกโดยคุณของตนของมัรคนั้นชะนี้แหลมัรคนี้นั้นท่านเรียกว่าสุญตตะอนิมิตะอปนิหิตะแม้เพราะเหตุที่ทำพระนิพพานซึ่งว่างเปล่าไม่มีนิมิตและหาปนิหิตะมิได้เป็นอารมณ์ดังนี้ก็มี นี้เป็นชื่อโดยอารมณ์ของมรคนั้นส่วนอาคามณะคือฐานะที่มามีสองอย่างคือวิปัสสนาคามณะที่มาคือวิปัสสนาหนึ่งและมกคาคามณะที่มาคือมรคหนึ่งในสองอย่างนั้นวิปัสสนาคามณะได้ในมรคมกคาคามณะ ได้ในผลเพราะว่าอนัตตานุปัสสนาชื่อว่าสุญญตามรคของสุญญตวิปัสสนาชื่อว่าสุญญตะอนิจจานุปัสสนาชื่อว่าอนิมิตะมรคของอนิมิตะวิปัสสนาชื่อว่าอนิมิตตแต่ชื่อหลังนี้ไม่พบโดยบรรยายทางพระอภิธรรม พบแต่โดยบรรยายทางพระสูตรเท่านั้นเพราะในบรรยายทางพระสูตรนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าโคตรภูยานทำพระนิพพานอันหานิมิตไม่ได้เป็นอารมณ์จึงเป็นยานมีชื่อว่าไม่มีนิมิตแล้วตนเองก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปฏิปทาที่มาแล้วให้ชื่อเรียกแก่มรรคด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกมรรคว่าไม่มีนิมิต แต่คำกล่าวที่ว่าผลก็มีชื่อว่าไม่มีนิมิตโดยที่มาคือมัคดังนี้ก็สมควรอยู่เหมือนกันทุกขานุปัสสนามีชื่อว่าอัปนิหิตะเพราะมาทำให้ปณิธิในสังขารทั้งหลายเหือดแห้งไปมัคของอัปนิหิตะวิปัสสนาชื่อว่าอัปนิหิตะผลของอัปนิหิตะมัค ก, ก็มีชื่อว่า อปปนิหิตาวิปัสสนาให้ชื่อของตนแก่มรักและมรักให้ชื่อแก่ผลอย่างนี้ด้วยประการชนี้นี้ได้ชื่อโดยอคคมณะสังขารูปเปกขายานนี้กำหนดความแตกต่างของวิโมกด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ด้วยประการชนี้จบ สังขารูปเปกขาญาณ